บทที่62ตัวเงินตัวทองเห็นพระบัวเหยวนั่งคุยอยู่กับท่านพระครูนายจอยให้ดีใจยิ่งนักกราบท่านสามครั้งแล้วชายหนุ่มจึงว่าผมคิดถึงลุงพี่เหลือเกินนี่ก็ว่าเสร็จธุระแล้วจะแวะไปกราบเยี่ยมดีใจจริงๆที่ได้พบ โยมจ่อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่โยมจุกลาสบายดีหรือหายไปหลายเดือนเลยนะพระหนุ่มทักทายสองสามีภรรยาหลวงพี่ดูอ้วนขึ้นนะจ๊ะจวนสําเร็จหรื อ, อยังจ้าสาเร็จอะไรล่ะโยมสําเร็จมรรคผลนะจ้าหลวงพี่จวนสําเร็จหรื อ, อยังยังหรอกโยมยังอีกไกลเชียวและนี่กระถูกหลวงพ่อท่านตําหนิว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้า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 หาไม่ได้ครับผมจะบังอาจว่าพระอุปชาอย่างนั้นได้ยังไงหลวงพ่อเห็นผมเป็นคนเนรคุณไปแล้วเหรอครับพระบุญเฮียวได้ชื่อว่าเนรคุณพระอุปชายาจาร์หรือครับนี่หลุงลุงกับหลวงพี่จะโต้ขรมกันอีกนานไหมครับถ้านานผมจะขออนุญาตหลับรอในใจขัดขึ้นเมื่อเห็นว่าภิกษุสองรูปต่างมีคุณสมบัติช่างเจรจา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 แสดงว่ามันพึ่งขยันตอนมีเมียสมัยที่อยู่กับข้ามันขี้เกียจยังกะอะไรดีท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมแพ้เห็นหลานสะภ้ยไม่เข้าข้างท่านจึงถือโอกาสเล่าเรื่องในอดีตที่พลาดปิงไปถึงหล่อนว่าคิดถึงตอนนั้นแล้วก็ยังนึกขำไม่หายสองคนนะ้าหลานเทข้าวทิ้งทุกวันเพราะรังเกียจขี้โมกเอง เองทำให้ข้าต้องผิดวินยัยข้อไม่เคารพบิณฑบาตโท่หลวงนะเรื่องมันผ่านไปเป็นสิบปีแล้วยังขุดขึ้นมาเล่าอีกนางจุกชักโมโหกโกรธาพระบุญเยวได้โอกาสแก้แค้นจึงว่านั่นสิโยมหลวงพ่อเพึ่งสอนอาตมาอยู่หยกๆว่าไม่ให้พะวงถึงอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นยังไม่ทันไร หลวงพ่อลืมซะละโอ้โหสนุกกันใหญ่ช่วยกันตลุมบอลฉันอยู่คนเดียววันนี้วันอะไรนะฉันถึงได้ดวงตกขนาดนี้ขาหักแล้วยังมาถูกคนเขารุมว่าท่านเจ้าของกุฏิโอดครวนใจจริงนั้นรู้สึกอบอุ่นที่คนใกล้ชิดทั้งในอดีตและปัจจุบันมาชุมนุมกันพร้อมหน้า วันพฤหัสบดีขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสี่ปีขานครับนายสมชายหันไปอ่านปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างฝาท่านเจ้าของกุฏิหันไปมองลูกศิษย์แล้วค้อนงามงามหนึ่งวงในใยจอยโวย ว, ยวายว่าใต้ลงน้าค้อนเป็นด้วยนี่เพราะอยู่ใกล้เจ้าขุนทองใช่ไหมครับนายสมชายรีบสนับสนุนว่านั่นสิครับพี่จอย หลวงพ่อพูดเสมอๆว่าขุนทองมาอยู่รับใช้ใกล้ชิดท่านจะได้หายเป็นกระเทยไปไปมาๆหลวงพ่อกลับมาเอาเยี่ยงอย่างเจ้าขุนทองเสละอะไรอะไรใครมาเอาเยี่ยงอย่างใครในขุนทองเข้ามาได้ยินพอดีเขาเลือกนั่งตรงหัวบันไดด้วยไม่มีที่นั่งเพราะความคับแคบของห้องดีจริงๆ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 จึงพูดใหม่หนูอยู่ฝ่ายพี่จุกดีกว่าเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันพี่จุกอยู่ฝ่ายไหนหนูก็อยู่ฝ่ายนั้นอ้าวไงเปลี่ยนใจเร็วนักล่ะว่าแต่ว่าที่ขึ้นมามีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าไม่มีหรอกา ห, หนูนั่งนั่งนอนๆอยู่ในห้องรู้สึกเซ็งเลยลองขึ้นมาฟังดูซิว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างและที่สาคัญคือ อยากจะรู้ว่าพี่จุกทำยังไงถึงได้ถูกรางวัลที่หนึ่งโยมจุกถูกรางวัลที่หนึ่งหรือพระโบเยียวถามจะหลวงพี่เรื่องมันประหลาดมากฉันว่าจะเล่าให้หลวงนาฟังนางจุกตอบท่านพระครูจึงว่างั้นก็เล่าได้เลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนี่หรือว่าจะไปตามโยมเข้ามาฟังอีกคนท่านหมายถึงอาจารย์ชิด ยาและเจ้าหลวงนาะตัวแกมเหม็นยังไงก็ไม่รู้กลิ่นเหมือนหนูตายฉันคงทนไม่ได้ยิ่งห้องแคบๆอย่างเนี้ยฉันคงเป็นลมเสีก่อนที่จะเล่าจบภรรยานายจ่อยว่าลุงลุงค่อยเล่าให้เขาฟังทีหลังก็แล้วกันนี่ฮะนายขุนทองตัดสินเขาเองแม้จะชินกับกลิ่นนั้นแต่หากเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงตกลง เมื่อจะเอาอย่างงั้นก็ตกลงเอาละเองเล่าไปเลยจุกเรื่องมันประหลาดมากนะจ้าหลวงนา้านางจุกอารัมพบทนี่เองพูดอย่างเนี้ยสามครั้งแล้วนะท่านพระครูขัดขึ้นพูดยังไงจ้านางจุกชักงงก็พูดว่าเรื่องมันประหลาดมากนะสิโท่หลวงนาก็มันประหลาดจริงๆนี่นาะหล่อนเถียง งันก็เล่าไปเลยเล่าไปสิก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเรื่องอะไรเหลือหลงน้าก็เปลี่ยนใจไม่ฟังเองเล่าไงละ่ะท่านเล่นตัวงั้นฉันก็เปลี่ยนใจไม่เล่าหลอนถือโอกาสเล่นตัวบ้างในขุนทองต้องขยันขยอว่าเล่าเธอหาพิจุกหนูอยากฟังใครไม่อยากฟังก็เอามืออุดหูไว้ เขาประชดหลงๆอัตมาขอฟังด้วยคนพระบัวเหียวว้าซื่ อ, อผมด้วยครับนายสมชายพูดบ้างข้าในฐานะเจ้าของห้องถึงจะไม่อยากฟังก็ต้องฟังท่านเจ้าของกุฏิพูดเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งถ้างั้นเราลงไปเล่าข้างล่างกันดีไหมในจอจชวนอย่าเลย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 เรื่องมันประหลาดมากจาหลวงนะรู้แล้วรู้แล้วเอ็งพูดอย่างนี้มาสี่หนแล้วท่านพระครูขัดขึ้นเอาอีกละหลวงนาขัดคอฉันอีกละเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วจะมาหาว่าพวกฉันพูดจาเลอะเรือนล่ามป้ามนั่งจุกต่อว่าและได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นทุกคนยกเว้นพระบัวเยว ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้สึกสงสารพระอุปชายาจานเอาเธอเอาเธอทีนี้ข้าจะไม่ขัดคอเองแล้วเล่าต่อไปซิว่ามันประหลาดยังไงเรื่องมันประหลาดมากจ้าหลวงนาะหล่อนพูดประโยคเดิมอีกคราวนี้คนฟังชักพากันเห็นคร้อยตามท่านพระครูว่วาคนเล่าพูดซ้ำพูดซากน่ารำคาญแล้วน่าขัดคอจริงๆนั่นแหละ ร้นไม่มีผู้ใดขัดคอคนเล่าจึงพูดต่อเมื่อเดืินที่แล้วนี่เองขณะที่ฉันนั่งเย็บเสื้อโหลอยู่ในร้านของฉันซึ่งอยู่ตรงข้าบกับร้านขายกาแฟฉันก็เห็นตัวเงินตัวทองคลานมาที่หน้าร้านกาแฟเป็นยังไงตัวเงินตัวทองอน่ะนายสมชายถามนายจ่อยจึงอธิบายแทนคนเป็นเมียว่าตัวคล้ายๆกิ่งกา แต่ว่าใหญ่กว่าหลายสิบเท่าดูเผลนเผินคล้ายน้องจอระเข้จะเรียกว่าพี่กิ้งกาหรือน้องจอระเข้ก็ได้อ๋อตัวเหียในขุนทองโผล่ออกมานางจุกจึงว่าถูกแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายชันสอนไว้ว่าให้เรียกตัวเงินตัวทองทีนี้คนขายกาแฟนั่นไล่ใหญ่แต่ผัวก็ไล่หญ่ยยเมียก็ไล่เสียงดังไป ไอตัวเหี้ยไปให้พ้นตัวเงินตัวทองเขาก็เมดไปแล้วยังครานเข้าไปในร้านเสียงเมียร้องว่าตายแล้วซวยตายเลยกูตัวเหี้ยเข้ามาในร้านส่วนผัวก็เอาน้ําร้อนในหม้อที่ใช้สําหรับชงกาแฟขายลาดลงบนตัวเขาเขาคงร้อนก็เลยวิ่งหนีเข้าร้านชั้นฉันกลัวเก็กลัวเขาจะมาเฉงเงืออยู่ต่อหน้าฉัน ฉันก็เลยปลดใส่สร้อยหนักสองสลึงโยนใส่เขาปากก็ว่าเงินไหลนองทองไหลมาพร่อมอยู่อย่างเนี้ยยกมือไหว้เขาด้วยเขาก็ยังไม่ไปฉันก็มีเงินอยู่ห้าบาทเป็นแบงค์สี่ใบเหรียญห้าสิบสตางค์สองเหรียญฉันก็โยนใส่เขาพร้อมกับพูดว่าเงินไหลนองทองไหลมาเขาก็พงกบหัว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 แกก็ยัดเยียดให้ฉันจนได้ฉันก็เลยต้องเป็นหนี้แกอีกห้าบาทปกติฉันไม่เคยเล่นหวยนะหลวงนาไม่เคยซื้อแกเลยเพราะหลวงนาเคยสอนว่ามันเป็นการพานันเป็นสิ่งไม่ดีแต่วันนั้นยายซิมแกมายัดเยียดฉันสงสารแกก็เลยซื้อไว้โดยไม่ได้คิดไม่ได้หวังอะไรแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันถูกยายซิมแกเป็นคนมาบอกพี่จอยเขาก็เลยเอาไป ซื้อรถโดยสารมาขับรับคนเขาเคยขับรถรับจ้างอยู่กับเท่าแก่ทีนี้เลยมีรถของเราเองเรื่องมันประหลาดมากใช่ไหมจ้าหลวงนาะหล่อนพูดประโยคเดิมอีกอ๋อมันประหลาดเหมือนกันแต่ไม่มากเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละและสองผัวเมียเขาขายกาแฟเป็นยังไงบ้างท่านถามด้วยต้องการตรวจสอบทฤษฎีของท่าน ก็แปลกอีกนั่นแหละลหลวงนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ขายไม่ค่อยดีแถมทะเลาะเบาแวงกันทุกวันในที่สุดก็เลิกกันผัวไปทางเมียไปทางภรรยาในใจเล่านั่นไงตรงกับทฤษฎีของข้าทุกประการเลย <c oughs> เห็นไหมนี่กรรมสองผัวเมียได้รับกรรมทันตาเห็นเขาทำอกุศลละกรรมก็เลยต้องมีอันเป็นไป ทำครบสามเลยกายวาจาใจกายก็คือเอาน้ำร้อนไปราดเขาวาจาก็ไปด่าเขาใจก็โหดร้ายต่อเขาส่วนเองก็ครบสามเหมือนกันแต่เป็นกุศลกรรมเองก็เลยถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าจะดูให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นข้าก็เห็นว่าเองทำบุญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเองใส่บาตรทุกวัน ถึงจะขี้โมกย้อยลงไปในบาทแต่ก็ชื่อว่าเองได้ทำบุญท่านพูดถึงอดีตของหลานสัยเอาอีกแล้วหลวงนาเอาเรื่องขี้โมกฉันมาประจานอีกแล้วเมื่อไหร่จะลืมลืมสักทีก็ไม่รู้หลอนบนเธอนาพอข่าตายขาก็ลืมเองแหละท่านพระครูว่างั้นฉันคงถูกหลวงน้าประจานไปอีกหลายสิบปีเพลเผลฉันอาจจะตายก่อนก็ได้ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงยังไงเองก็ไม่มีวันจะตายก่อนค่ะเองเกิดทีหลังก็ต้องตายทีหลังสิมันไม่แน่เสมอไปหรอกหลวงนาะมีออกถมเถไปที่พ่อแม่ไปงานศพลูกหล่อนว่าท่านพระครูเห็นสมควรแก่เวลาจึงบอกความลับเรื่องการมรณะภาพของท่านให้ผู้เป็นหลานทราบจึงออกอุบายว่า ขุนทองเอ็งขึ้นมานานแล้วลงไปดูโยมเขาสิเผื่อขาดเหลืออะไรจะได้หามาให้เขาในขุนทองกราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปล้านชายออกไปแล้วท่านจึงพูดกับในจอยและภรรยาว่าข้ามีความลับจะบอกเอ็งสองคนแต่ยังไม่อยากให้เจ้าขุนทองมันรู้เดี๋ยวนี้ก็จะไปบอกคนหมดวัด ยิ่งปากสว่างอยู่ด้วยลงนะ้มีอะไรจะบอกผมกับจุกเหรอครับมีสิฟังให้ดีนะเองสองคนไม่ค่อยจะไม่ให้ข้าเห็นหน้าเห็นตายิ่งมีรถใหม่ก็ยิ่งไม่มีเวลามาข้อนั้นข้าไม่ว่ารอกเพราะเองต้องทำมาหากินแต่จาไว้นะวันที่เองมาตอนไหนแต่จำไว้นะวันที่สิบสี่ตุลาคม 2521ให้มาหาข้าหน่อยมาตอนไหนครับเช้าหรือบ่ายถ้าอยากเห็นข้าตอนเป็นก็มาแต่เชา้าถ้าอยากเห็นข้าตอนตายถ้าอยากเห็นข้าตอนตายแล้วก็มาตอนบ่ายก็ได้หมายความว่าอย่างไรหลวงนะนังจุกถามก็หมายความว่าวันที่สิบสีตุลาคม2521 ข้าจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่มคอหักเวลาเที่ยงสี่สิบห้าจริงเหรอครับในจ่อยถามจริงหรือไม่จริงพอถึงวันนั้นเองอย่าลืมมาก็แล้วกันเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงตอบด้วยสีหน้าปกติแต่ผมว่าหลวงพ่อต้องไม่ตายเอ้ยไม่มรณาภาพครับผมมั่นใจว่าหลวงพ่อจะต้องไม่เป็นเช่นนั้น พระัวเฮียวขัดขึ้นด้วยความรู้สึกแสนรันทศแสนเสียดายผู้มีเมตตาทำสูงส่งเช่นนี้จะหาได้ที่ไหนอีกมันเป็นกฎแห่งกรรมนะบับเฮียวใครเลยจะฝืนได้แต่ผมไม่อยากให้หลวงพ่อมอรณะภาพนี่ครับพระหนุ่มแยงจะอยากหรือไม่อยากฉันก็ต้องตายเอาเถอะแล้วคอยดูกันไปว่าจะจริงอย่างที่เขาเตือนมาหรือเปล่า เขาน่าใครครับในจอยถามเจ้ากรรมนายเวรน่ะสิเอาละเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วขอให้เองจําไว้อย่างเดียวว่าข้าจะต้องตายในวันนี้นางจุกร้องไห้กระซิกกระซิกข้างฝ่ายในจอยก็ทำตาแดงกล่าท่านเจ้าของกุฏิจึงว่าเองสองคนไม่ต้องมาแสดงความโศกเศร้าล่วงหน้าไว้ก่อนรอกอีกตั้งสี่ปีข่าถึงจะตาย หลงน้าไม่ตายไม่ได้หรือจ๊ะน่งจุกอ้อนบอนฟังเมียเองพูดนะเจ้าจอยฟังเอาไว้ท่านบอกหลานชายครับผมกำลังฟังอยู่แล้วก็อยากจะพูดแบบเดียวกับเขาหลงน้าไม่ตายไม่ได้หรอครับ เองสองคนหนดพอกันเลยไอคิพอกันอย่างนี้เองถึงได้อยู่กันได้ไอคคืออะไรครับหลวงนา้าหลานชายถามคือภูมิปัญญาเองกับเมียเองนะ่ะมีภูมิปัญญาเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านพระครูอธิบายแกมประจดแล้วดีไหมครับนายจอยถามอีกดี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 ชักปวดหัวแล้วว่าแต่หลวงน้าจะลงไปเจิมรถให้ผมได้ไหมครับเขาพูดทุรัอย่าเลยครับพี่จ่อยหลวงน้าท่านตั้งใจว่าจะไม่ลงไปไหนจนกว่าท่านจะหายเป็นปกติหลวงพ่อเศษแป้งแล้วให้หลวงพี่เป็นคนไปเจิมก็ได้นี่ครับศิทธวัดแนะนําด้วยความเป็นห่วงท่านพระครูดีเหมือนกันเพราะสอง ย่อมดีกว่าหนึ่งหลวงพ่อก็ขลังหลวงพี่ก็ขลังก็เป็นขลังกําลังสองในอยว่าถ้าเองอยากจะให้ขลังกําลังสามเองก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมหากินด้วยความสื่อสัตว์สุจริตและมันปฏิบัติกรรมฐานจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอบรมลูกชายของพี่สาวครับคนไปหลานรับคํา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 คาถาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ใช้อันที่จริงข้าไม่ได้อยากยุ่งกับเรื่องเซกเปานักเลอกแต่ในเมื่อเอ็นมาขอให้ทําก็ไม่อยากขัดใจเพราะอะไรอะไรก็สู้กรรมฐานไม่ได้เอาละพระบัวเหียวจ่วยไปเจิมให้เขาหน่อยในใจอยถือขันจอกบรรจุปแป้งลงบันไดไปตามด้วยพระบัวเหียวและนางจุก ครูใหญ่ๆพิกษุรูปหนึ่งกับคาราว่าสองคนก็ขึ้นมาในขุนทองถือโอกาสถามขึ้นมาว่าเสรจทุละแล้วผมเห็นจะต้องกราบลาในใจอยเอยอดใจหายไม่ได้เมื่อคิดว่าอีกสี่ปีเขาจะไม่มีหลวงน้าอีกแล้วหลวงน้าจ้ะฉันมีของมาถวายจ้นังจุกพูดพร้อมกับหยิบถุงกระดาษสีน้าตาลส่งให้สา ม, มี พี่จอยช่วยประเคนแทนฉันด้วยได้จอยจึงประเคนสิ่งนั้นให้ท่านพระครูอะไรของเองละ่ะลงหน้าเปิดดูเองก็แล้วกันหล่อนว่านายสมชายกับนายขุนทองจ้องคมิงขณะที่ท่านเจ้าของกุฏิหยิบสิ่งนั้นออกมาจากถุงเป็นรองเท้าหนังสีน้ำตาลหนึ่งคู่เองถูกรางวัลที่หนึ่งต่างหาแสน ซื้อรองเท้าแตะมาให้ข้าคู่เดียวเองรื จ, จุกท่านสัพพยอกหลานสะพ้ายด้วยความรู้สึกซาบซึง้งในความตระณีถีเหนียวของหล่อนคู่เดียวก็ตั้ง8ปบบาทแล้วละหลวงนา้าแพงกว่าของฉันตั้งสิบเท่าฉันใช้คู่ละ8ดบาทเองคนขี้เหนียวว่าของผมคู่ละ8ดบาทเหมือนกันครับหลวงนา้าในจอยเข้าข้างภรรยา เอาเธอเอาเธอข้ามาดีว่าอะไรจะกลับก็กลับได้แล้วข้าจะได้พักผ่อนสองสามีภรรยาจึงกราบท่านสามครั้งแล้วลุกออกไปนายสมชายกับในขุนทองรู้สึกผิดหวังจนไม่มีเรียวแรงที่จะลุกออกไปส่งเอาสิเอาไปแบ่งกันคนละครึ่งท่านพระครูพูดพลางส่งถุงกระดาษสีน้ำตาลให้ในายสมชายโทหลวงพ่อ ใครเขาจะใส่รองเท้าข้างเดียวสิทธวัดว่าหนูก็ไม่เอามันรองเท้าสำหรับผู้ชายหนูอยากได้รองเท้าส้นสูงนายขุนทองว่างั้นก็ถวายพระบัวเฮียวก็แล้วการท่านพระครูตัดสินอย่าเลยครับหลวงพ่อโยมจุกเขาตั้งใจถวายหลวงพ่อพระัวเฮียวปฏิเสธก็ในเมื่อเขาให้ฉันก็เป็นของฉัน แล้วฉันก็ให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันใช่ไหมละ่ะใช่ครับงั้นฉันให้เธอรองเท้าฉันยังดีอยู่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ของใหม่ผู้พูดถือสันโดษแต่คู่นี้ราคา80บาทนะครับคู่ของหลวงพ่อแค่30บาทเท่านั้นนายสมชายแยง้งที่จำได้เพราะเขาเป็นคนไปซื้อก็เพราะมันแพงน่ะสิ แล้วฉันก็คิดว่าของแพงคงจะเป็นของดีเมื่อจะให้อะไรใครก็ต้องให้แต่ของดีๆ ด, ดังนั้นฉันจึงให้เธอไงหล่ะบัวเหี้ยวประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุหนุ่มแล้วคนให้เขาจะได้บุญหรอครับเขาตั้งใจให้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อกลับมาให้ผมพระบัวเหี้ยวพูดเพราะจิตของท่านไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะได้สิ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 คงเป็นอย่างนั้นแต่ฉันว่าเธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าอีกสี่ปีฉันก็ไม่ได้อยู่ให้เธอเห็นหน้าอีกแล้วเวลาเธอใส่รองเท้าจะได้คิดถึงฉันไงครับถ้าเช่นนั้นผมจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดอีกสปีค่อยเอามาใช้ภิสูซอยี่ตอบแล้วกราบลาเพื่อกลับไปปฏิบัติกรรมฐานยังกุติของท่าน